ตอนที่สิบเก้าเวทัตพระพุทธองค์ทรงมีสาวกเป็นที่พอพระทัยยิ่งองค์หนึ่งนามว่าอานนทะและในทํานองเดียวกันพระอานนนนั้นก็มีความเคารพรักใคร่พระองค์อย่างสูงสุด เมื่อพระพุทธองค์มีพระชนมายุหาพรรษาและเริ่มทรงรู้สึกถึงความชราจึงได้ทรงเลือกพระอนุนยญาติเรียงพี่เรียงน้ององค์นี้เป็นผู้อุปถากประจําพระองค์เป็นพิเศษพระองค์ทรงติดต่อกับพระภิกษุทั้งหลายผ่านทางพระอนุ์ภิกษุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อมีกิจธุระกราบูลพระพุทธองค์หรือแม้การทูลขออนุญาต ในโอกาสบางอย่างบางประการภิษุทั้งหลายก็ย่อมจะเข้าหาติดต่อผ่านพระอนุ์แทนที่จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์โดยตรงพระพุทธองค์ยังมีลูกเรียงพี่เรียงน้องมาบวชเป็นภิกษุอยู่กับพระองค์ด้วยอีกรูปหนึ่งคือพระเทวทัตซึ่งมีความประพฤติและกระธรรมต่อพระองค์ตรงกันข้ามกับพระอนุลทุกอย่างแทนที่จะยินดีรับใช้ปรนิบทและเชื่อฟังคาสั่งสอนของพระองค์ กลับคิดฤษยาแข่งดีต่อพระองค์และพยายามทำลายหมู่สงของพระองค์ด้วยพระเทวทัตผู้นี้เย่อหยิ่งและไวตัวว่ามีสายเลือดกษัตริย์เกิดในตระกูลสากยวงศ์ด้วยเหมือนกันดังนั้นเมื่อพระสารีบุตรและพระโมคัขคลานะเข้ามาบวชเป็นภิกษุได้รับความยกย่องจากภิกษุทั่วไปในฐานะอัครสาวกที่พระพุทธองค์ทรงโปรดปราน ทั้งที่มิได้มีเชื้อกรัสัยิย์และมิได้เป็นพระญาติแต่อย่างใดพระเทวทัตจึงหลบไปจากหมู่สงตรงไปยังนครราชครืดได้หาทางเข้าผูกมิตรกับเจ้าชายอาชาติศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและเป็นราชทายาทแห่งราชบัลลังก์อยู่ในขณะนั้นเจ้าชายทรงพอพระไทยในการแสดงความรู้ประหลาดประหลาดบางอย่างของพระเทวทัต จนถึงกับสร้างวิหารอันสวยงามขึ้นหลังหนึ่งใกล้ๆนครราชครึนั้นถวายให้เป็นที่อยู่ของพระเทวทัตโดยเฉพาะและเป็นผู้อุปถากโดยใกล้ชิดตลอดมาด้วยความรักและนับถือเป็นที่ยิ่งเวลาได้ล่วงไปหลายปีจนกระทั่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับ ท, ที่สวนเวลุวันนะครราชครึนั้นอีก พระเทวทัตได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลขออนุญาตจัดคณะสงฆ์ใหม่โดยมีพระเทวทัตเองเป็นประมุขพระพุทธองค์ปฏิเสธและทรงอธิบายว่าการแยกสงฆ์ออกเป็นฝักฝ่ายนั้นไม่นำมาซึ่งผลดีแต่พระเทวทัตเชื่อมั่นในความคิดของตนอย่างรุนแรงได้ทูลขอแล้วขออีกแม้พระพุทธองค์จะทรงปฏิเสธทุกครั้งความริษยา ความแข็งดีได้เพิ่มขึ้นจนเป็นการจองเวรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเทวทัตยังตักใจที่จะตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ของตนเองโดยที่พระพุทธองค์จะยอมรับหรือไม่ก็ตามความคิดนี้ได้รับความสนับสนุนจากเจ้าชายอาชาติศัตรูอย่างเต็มที่ส่วนพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาของเจ้าชายนั้นทรงปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือด้วยเด็ดขาด ได้ยังคงเป็นฝ่ายพระพุทธองค์อย่างแน่นแฟนเมื่อพระเทวทัตเห็นว่าตนสามารถทําให้เจ้าชายเชื่อถืออย่างมั่นคงแล้วก็แนะนําให้กําจัดพระบิดาออกไปเสียนอกทางเพื่อเจ้าชายจะได้ขึ้นเป็นพระราชามีอํานาจที่จะช่วยพระเทวทัตจัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ได้สะดวกพระเจ้าอิจาตัศรูได้ทําตามคําแนะนํานั้นแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะใช้อาวุธเช่นดาบหรือลูกศร ด้วยังหวาดกลัวต่อการทำให้โลหิตไหลออกจากกายพระบิดาแต่แม้กระนั้นก็ได้ปลงพระชนพระบิดาจนสำเร็จโดยให้ขังไว้ในคุกทรมานอยู่ด้วยการอดอาหารจนกระทั่งสิ้นพระชนไปบัดนี้พระเทวทัต มีกำลังครบถ้วนตามต้องการได้ขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูจัดหาคนแม่นธนูมาจํานวนหนึ่งไปยิงพระพุทธองค์ถึงที่ประทับโดยจ่ายรางวัลให้อย่างสูงแต่เมื่อนักแม่นพนูเหล่านั้นได้มาเห็นพระอริยาอันสงบประงับทั้งอ่อนโยนทั้งสง่าพาเผยหน้าเกรงขามเขารู้สึกจับใจในพระพุทธลักษณะอันน่าเคารพ บ, บูชา ดังนั้นแทนที่เขาจะปล่อยลูกศรไปอย่างพระองค์เขากลับพากันเข้าไปหมอบกายแสดงความสการะอย่างสูงสุดลงแทบฝ่าพระบาทและได้ทูลขอให้พระองค์ยกโทษในการที่พวกเขาได้รับจ้างมาทำร้ายพระองค์ด้วยความหลงผิดพระพุทธองค์ได้ประทานอภัยโทษนั้นให้โดยสิ้นเชิงและคนเหล่านั้นต่างปฏิญาณเป็นสาวกของพระองค์จนตลอดชีวิต เมื่อพระเทวทัตได้ทราบว่าบรรดาคนที่ตนส่งไปนั้นแทนที่จะปรงพระชนม์อาชีพของพระพุทธองค์ปรับกลายไปเข้าเป็นสาวกกันหมดก็เดือดดานด้วยความโกรธและตั้งใจว่าจะไม่ส่งผู้ใดไปอีกแล้วแต่จะลงมือกระทำด้วยตนเองทีเดียวใกล้ๆที่ประทับของพระพุทธองค์มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งจักต้องเสด็จผ่านไปมาในทางเชิงเขานั้นพระเทวทัต ได้เตรียมงัดหินก้อนใหญ่ขึ้นจากพื้นมารอไว้ในเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาถึงตรงนั้นพระเทวทัตซึ่งซ่อนตัวคอยจ้องหาโอกาสอยู่ก็ผลักหินใหญ่ก้อนนั้นโดยแรงด้วยหวังให้มันบททับพระองค์แต่มันได้บังเอิญกระทบหินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งเข้าก่อนจึงได้แตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแทนที่จะตกลงมาอย่างพระเศียรของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่แม้กระนั้นสกเกตอันแหลมคมชิ้นหนึ่งได้กระเด็นมาถูกพระบาททำให้เสด็จดำเนินไม่ได้ไปชั่วขณะครั้นเสด็จถึงพระวิหารแล้วทรงได้รับการรักษาจากหมอชีวกผู้เชี่ยวชาญพระบาทของพระองค์ก็หายเป็นปกติพระเทวทัตก็ประสบความพ่ายแพ้ในแผนการอันชั่วร้ายนั้นอีกครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังไม่เลิกล้มความพยายามที่จะปงพระชนม์ชีพของพระบรมศาสดา ในครั้งใหม่นี้ได้วางแผนปล่อยช้างตกมันดุร้ายตัวหนึ่งทำอันตารายให้ถึงสิ้นพระชนม์ชีพในขณะที่เสด็จออกบินทบาทตามท้องถนนและเมื่อช้างตกมันดุร้ายตัว น, นั้นวิ่งเข้ามาถึงพระองค์มันกลับยืนสงบนิ่งอย่างเงื่องห่อย ปล่อยให้พระพุทธองค์เสด็จผ่านไปโดยสะดวกหาได้กระทำตามที่พระเทวทัตมุ่งหมายไม่นับว่าเป็นครั้งที่สามที่ความพยายามอันชั่วร้ายของพระเทวทัตได้ประสบความพ่ายแพ้ตกมาถึงตอนนี้พระเทวทัตหมดปัญญา จนยอมเลิกล้มความคิดที่จะปลงพระชนม์อาชีพของพระพุทธองค์แล้วแต่ก็ยังคิดที่จะทำลายคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองได้เข้าไปเฝ้าทำเหมือนกับว่าไม่มีเหตุอะไรระหว่างตนกับพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ว่าประชาชนพากันโจด จ, จันทร์และลงความเห็นว่าภิกษุของพระพุทธองค์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายมากเกินไปและการปฏิบัติของคณะสงฆ์ ยังไม่เคร่งครัดพอดังนั้นตนจึงได้มาทูลขอให้ทรงบัญญัติวินัยอันเคร่งครัดขึ้นใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคืออย่าให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ภายใต้หลังคาหรือเครื่องมุงบังใดๆให้อยู่ตามโคนไม้ตามป่าหรือกลางแจ้งอย่าให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรสำเร็จรูปหรือจีวรเนื้อดีที่เขานามาถวายอยู่เนือง ให้ใช้แต่จีวรที่ประกอบขึ้นเองจากเศษผ้าตามกองขยะมูลฝอยหรือจากป่าช้าและข้อสุดท้ายคือห้ามมิให้ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อหรือปลาให้ฉันแต่อาหารที่เกิดจากพืชกฎทุกข้อนี้หากภิกษุรูปใดไม่ปฏิบัติตามก็ต้องออกจากหมู่คณะไปพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอของพระเทวทัตยอย่างเปิดเผย โดยหลักเกณฑ์ทุกข้อว่าถ้าภิกษุใดปรารถนาจะอยู่โคนไม้หรือที่แจ้งเป็นนิดนก็ให้ทำได้แต่ถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาก็อาศัยอยู่ในเสนาสนะอันสมควรที่มีผู้จัดถทวบยให้ถ้าภิกษุใดปรารถนาจะใช้จีวรที่ทำจากเศษผ้าอันรวบรวมจากกองขยะหรือป่าช้าอย่างเดียวก็ได้ หรือจากเขานำมาถวายด้วยบริสุทธิ์ก็ได้ถ้าภิกษุใดจะฉันแต่เพียงพืชไม่ฉันเนื้อหรือปลาก็ได้หรือตามแต่จะมีผู้นำมาถวายโดยบริสุทธิ์ก็ได้คือถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ท้ายที่สุดทรงตรัสเตือนพระเทวทัตว่าพระเทวทัต อย่าพึงกระทําให้ผิดแบบแผนอันจะเป็นทางให้คณะสงฆ์แตกแยกกันต่อไปอีกเลยมิฉะนั้นจะเกิดผลร้ายแก่พระเทวทัตเองแต่พระเทวทัตไม่สนใจคำเตือนด้วยพระเมตตาของพระพุทธองค์ซ้ำยังพยายามชี้แจงชักชวนพระอนตน์ให้เห็นด้วยในข้อเสนอนั้นแต่ก็ถูกพระอ น, นุ์ปฏิเสธเพราะมีความคิดเห็นตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นอย่างเดิมทุกประการ พระเทวทัตได้เดินทางไปเกลี้ยกล่อมพระภิกษุตามชนบทต่างๆที่ไม่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เป็นเวลานานจึงไม่อาจทราบเรื่องใดๆดังนั้นจึงง่ายต่อการชักชวนให้เลื่อมใสในกฎที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่และได้พากันตั้งคณะขึ้นโดยมีพระเทวทัตตั้งตัวเป็นหัวหน้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้ ด้วยน้ำพระไทยอันเปี่ยมด้วยพระกรุณาทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรไปทําความเข้าใจกับพระภิกษุเหล่านั้นเสียใหม่เพื่อความปลอดภัยของภิกษุเหล่านั้นเองขณะที่พระสารีบุตรไปถึงนั้นบังเอิญพระเทวทัตกําลังจําวัดอยู่พระสารีบุตรได้บอกกล่าวให้ภิกษุเหล่านั้นทราบว่าพระองค์มีความคิดเห็นอย่างไรในกฎวินัยเหล่านั้นและได้ชี้แจงความจริงต่างๆอันเกี่ยวแก่การกระทําของพระเทวทัต ในช่วเวลาเพียงเล็กน้อยพระภิกษุเหล่านั้นก็พากันกลับใจที่จะปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ตามเดิมและได้พากันลุกจากที่นั้นติดตามพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อพระเทวทัตตื่นขึ้นในตอนบ่ายเห็นบริวารเงียบผิดปกติก็ออกมาดูสำรวจทั่วแล้วก็พบว่าไม่มีภิกษุเหลือแม้แต่รูปเดียวพระนั้นได้ทราบจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่าภิกษุเหล่านั้น พากันไปกับพระสารีบุตรไปเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยกันหมดทุกรูปพระเทวทัตมีความแค้นใจเป็นอันมากเกิดความเหนื่อยอ่อนจนไม่สามารถจะพยุงตัวให้สามารถเดินทางไปไกลๆเองได้จึงสั่งให้คนรับใช้จัดแคร่มีคานหามมาหามท่านไปสู่สำนักของพระพุทธองค์เพื่อต้องการทราบว่าทรงมีความมุ่งหมายอย่างไรในการที่ให้นำภิกษุส่วนของตนไปจนหมดสิ้นเช่นนี้ ภิกษุทั้งหลายที่เคยรู้ถึงความอาฆาตมาต ร, รายของพระเทวทัตได้พากันเข้ากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงหลบไปก่อนเพราะพระเทวทัตมาด้วยความแค้นอาจทำอันตารายพระองค์ซึ่งซึ่งหน้าก็ได้พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธที่จะหลบปลีกและส่งยืนยันว่าพระองค์รู้สึกปลอดภัยโดยประการทั้งปวงจากการกระทาของพระเทวทัตพระองค์ได้ทรงพิสูจน์ให้ภิกษุทั้งหลายเห็นว่า คำตรัสของพระองค์นั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะข่าวที่ภิกษุทั้งหลายได้ทราบในการต่อมาว่าเมื่อคนหามแคร่ของพระเทวทัตได้หยุดพักระหว่างทางพระเทวทัตได้สิ้นชีวิตณที่นั้นโดยอาการที่ไม่มีใครคาดฝันความจริงต้องเป็นความจริงอย่างถูกต้องทุกประการความตายได้ตกลงสู่พระเทวทัตในเวลาและสถานที่ซึ่งพระเทวทัต กำลังพยายามจะปรงพระชนม์ชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองต่อจากนั้นมาไม่มีความระสำาระสายอันใดเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์อีกจนตลอดพระชนมายุของพระพุทธองค์เว้นแต่แตความวินาศซึ่งเกิดแก่พระราชาและบรรดาเจ้าชายในรา ช, ชตระกูลสากยวงศ์อันเกี่ยวข้องเป็นพระประโยชน์ของพระองค์และแห่งแคว้นโกศล ได้สูญเสียชีวิตในการทำสงครามซึ่งแม้พระองค์จะทรงทัดทานไว้ได้เพียงในคราวแรกๆสองสาคราวเท่านั้นเหตุการณ์อันนี้ได้เกิดขึ้น ใ, ใกล้ๆปีที่พระองค์จะเสด็จปรินิพานนั่นเอง